พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่30กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเจดี8 4 0 0 0กองเอาต่อนนี้ไปอยู่ในความสงบลูกลาน ก่อนอื่นในช่วงนี้มีแต่เรื่องฟ้าฝนน้าฝนท่วมจังหวัดสกลนครขอนแก่นโคราชและกระตังภาคเหนื อ, อทสาบว่าแถวสุขโขทยัยดูสึว่าฝนวนตกเป็นวงกว้างมากข้าวนี้ทำให้เสียหาย เสียหายพอสมควรแต่ก็แจ่มากไหมก็ไม่ถึงกคำว่ามากแต่ทั้งสกลสกลนกครทั้งสกลทั้งทั้งจังหวัดก็รู้สึกว่าอยู่ในเพลินบาดาลพอสมควรแต่แถบจังหวัดอื่นจังหวัดอุดรก็มีอยู่บ้างแต่ก็เสียหายถึงยังไงก็ถึงยังไงพี่น้องประชาชนทุกโมู่เรา ผู้ใดประสบอุปัติเหตุน้ำท่วมอย่างพวกเราท่านทั้งรู้ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นในเฟซในสื่อต่างๆก็จะเป็นิ่งดูด้นะพี่น้องลูกหลานนะช่วยๆกันอยู่พูดผู้อยู่ใกล้นะั่นะอยู่แถบใกล้ๆนะอำเภอในละแวกนะั้นใกล้ๆช่วยกันดูแลความสารถุสุกดิบซึ่งกันและกันเพราะพวกเรา เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋หัวทั้งพระองค์ก่อนที่ท่านแนะนำสังสอนบอกกล่าวทางพระองค์ใหม่ก็ท่านก็เนี่ยเป็นร่มโพ ร, ร่มไสของพวกเร า, เาแล้วก็ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งดูได แต่พี่น้องประชาชนก็ควรจะเป็นพลังส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอาจจะให้แต่ส่วนข้างบนลงมาช่วยพวกรูพวกเราอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ช่วยกันกันดูกระลายกระลาเหมือนกันนะพี่น้องลูกหลานเนะ้ะเพรอยู่ใกล้นะนะเพราะทุกวันนี้พร้อมที่จะโอนปัจจัยและโอนเงินเข้าไปสู่บัญชีแต่ที่ยังไงก็ให้สืบสอบดูให้ละเอียดนะเรื่องการโอนเงิน มันมิจฉาชีพมันไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันห้คนที่มาคิดในขนาดที่เขาตกทุกข์แต่ยากตัวเองมาฉาบโชยเนี่ยหลวงพ่อาบาปกรรมหนักนะบาปกรรมหนัก <c oughs> บาปกรรมติดพบติดชาติทีเดียวละ่ะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ใดก็ตาม เ, าเวลาเขาตกทุกข์ต้องช่วยกันมันจึงเป็นจึงจะเป็นเป็นน้ำใจเป็ น, นปุณเป็นกุศลถ้าว่าผู้ เขาตกทุกข์ไยากตัวเองไปซ้ำไปเติมเข า, เาไปเบียดไปบังไปคดไปโกงในขณะที่เขาตกทุกข์ได้ยากน่ะจุดเนี้ละเป็นบาปวัคคุศสนจิตจิตติดใจไปนมนานทีเดียวพราะนั้นพวกหลานอย่าทำนะอย่าไปซ้ำไปเติมเขาใ น, ในระยะที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะแต่วัดเราก็รู้สึกว่ารถแล้วละ่ะเสียหายไหมก็คงจะเสียอยู่บางนะลูกหลานนะ เสียตรงไหนหลวงพ่อเสียต้นที่ต้นไม้ที่ที่เราปลูกนะที่เราปลูกตามฝั่งลำคลองลำรางนะ้นํามันท่วมวันสองสามวันถ้าเป็นไม้สักเนี่ยตายมดเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่อยากไม่ให้ปลูกไม้สกักติดฝั่งคลองคงจะปลูกไม้ตะเคียนทองพวกไม้ยางประดููมัก่าแต่ถึงยังไงก็เถอะ ไม้เหล่านั้นก็แช่หลายๆวันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนนัแต่ไม้สักเนี่ยแช่เพียงคืนเดียวเท่านั้นแหะจบเลยตายหมดไม้สักเ่เป็นไม้ที่ขี้ศอกนะเป็นไม้อยู่ที่เนินที่สูงแต่อยู่ในลําห้วยลําคลองแล้วก็น้นําท่วมทีเดียวตายเ น, นะ่ยไม้ของหลวงพ่อรู้สึกว่าจะตายมากอยู่ <c oughs> เพราะเป็นไม้สักนะแต่ส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังมอง ยังไม่ได้ตรวจตราดูว่าตรงไหนเสียหายบ้างน้ำท่วมคราวนี้นะแต่พอน้ำขึ้นสูงพอจุงควรนะลูกหลานนะฟังๆดวนมันข้ามสะพานที่เราสร้างใหม่นะล้นสะพานเลยแต่เมื่อวานในหลวงพ่อแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามสิบนะมาวานัวานวันเมื่อวานที่ย9ิบเก้านะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทีท่สามสิบ กรกดาคมพุทธศักราช2560้าหกสิบเมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็ได้รับกิจที่มนไปทางนู่นไปทางจังหวัดอุดรเจ้าอาวาสท่านอะไรผมฤกษ์ท่านวัดป่าสำนักสงศ์ดอนเหล่าดอนดอนเหลาคำอำเภอสามพร้าวจังหวัดอุดร ภาคณะสัาาตยาธิษฐาโยมเห็นว่าหลวงพ่อช่วยเครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลเมื่อกี้เนี่ ย, ยให้กับโรงพยาบาลใหม่หมหมมๆมาดๆแต่ส่วนอื่นก็เคยช่วยมาตลอดพอมันพอที่จะได้อะไรก็เราก็เอาสมทบเข้าไปเ ม, เมื่อเมื่อข่าวจาเป็นท่านก็เห็นคุณค่าในพาคณะสัทยาธาิษฐานโยมทอดผ้าป่าเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยออกไป จากที่นี่ไปประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงพอไปถึงที่นู่นก็บ่ายโมงพอดีพอดีแต่ก่อนที่จะไปก็ถามขนนั้นท่านน้ำไม่ท่วมวัดหรือท่านมามาได้อย่ครับหลวงพ่อมาได้เอออเามาได้ไปพอไปที่ไหนได้โอ้โหน้ำท่วมถนนก่อนที่จะเข้าไปถึงวัดนะ เ, เกือบท่วมล้อรถฟอร์จูเอ er นอนระ์เหมือนกัน เขาขอรถปิกอัพตรุยก่อนเลรถหลวงพ่อค่อยวิ่งตามหลังเขาโต๊ะออกได้หรือเล <c oughs> ปาาล่านี่ว่าว่าถ้าออกไม่ได้เดีตายเลยปรรษาขาดแท้อะไรเนี่ยออกไม่ได้มีทางออกทางอื่นไหมโรกร้านวะไม่มีมีทางเดียวเท่านี้แหละทางออกโอ้ตายหลว <c oughs> งพ่อก็เลยตรุยเข้าไปไปจะอยู่ไม่นานนะโรคล้านนะ เพราะว่ากลัวน้ําจะท่วมถนนดูน้ำมันกำลังมาอยู่เนี่ยจะพูดไม่นานเพราะถึงจะพูดไม่นานหลวงพ่อก็มีหนังสือให้แล้วก็เอ็มพสามาแจากลูกหลานใครจะฟังก็เปิดฟังได้เลยหนังสือก็เปิดอ่านได้แต่วันนี้อาจจะมีเวลาไม่มากคงจะอยู่กับลูกหลานไม่นานวันก็เลยแสดงธรรมเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองเรานี่ย พูดกันฟังกันง่ายๆนะพวกเราจากนั้นลูกหลานเขาก็โมมีน้ำใจนะแต่ไหวจะตกปัจจัยเออ ท, ทำเป็นดอกไม้ทำเป็นต้นผ้าป่านะอพอแล้วเขาจะเก็บช้ามาเฉาะเาใส่ลังใส่รังใส่สถุงก็ได้วะเดี๋ยวไปถึงที่ไหนยังคอยไปนับ เขาก็ใส่ถุงมาเพราะมัน ถ, ถ้าจะนับนมันช้ามากแล้วเพราะวันไปแก่ต้นที่เขาปิดใส่แป๊กเย็บแล้วก็ใส่กาวสองหน้าอีก <c oughs> ก่ที่ก็ที่จะแก้ <c oughs> แกนดอกไม้เงินออกมาได้พอมาถึงวัดก็ให้คณะกรรมการช่วยกันนับแล้วก็ให้พระกูบานั่งเป็นหงูเป็นตาช่วยกันดูแลกัน แจากนั้นพระก็เลยให้ไปรายงานหลวงพ่อเมื่อวานนีะจะตุปใจที่พาปล า, าช่วยเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์พรลองพ่อเปิดบัญชีไว้บัญชีหนึ่งอีกเหมือนกันารอนุบาลนะเปิดบัญชีไว้การแพทย์เปิดไว้หนึ่งหมู่นิติช่วยสงอาพาธก็เปิดบัญชีไว้อคือไม่ให้มันคละกันบัญชีของวัดก็คือบัญชีของวัดนะอ ทำไมการมันคละกันมันแยกแยกมารุมมาตุ่มกันไม่ได้เจตนา ผ, ผู้ที่ถวายมาก็เอาเจตนาเจาะจง เ, เครื่องมือแพทย์บางเจดีหลงตาบังหลายหลายบังนะลูกพ่อก็แยกแยกไว้ให้ตามที่จุดประสงค์แต่เมื่อวา น, นแต่แยกจะเอาข้อบัญชีอุปกรณ์การแพทย์เมื่อวานที่เอามาถวายเมื่อวาน พระ ท, ท่านรายงานมาท่านเอาตัวเล็มาให้หลวงพ่อตัวยอดมาให้เพราะคณะกรรมการนับเช็คเก็บร้อยแล้วนะทางผู้ที่ถวายมาก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าจะตุปัจจัยของพวกเราถวายหลวงพ่อเนี่ยได้เท่าไรเนาะเนี่ยพอหลวงพ่อเออเพราะวา่าเราจะนับอยู่ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวจะค้ำเดี๋ยวน้ําท่วมทางออกไปได้หลวงพ่อจะรีบกลับแล้วนะ เขาก็เลยใส่ในถุงมาเลยพอมานับเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้ละหลวงพ่อรวยอยูน่นะลูกหลานนะได้ทั้งหมดเป็นเงิน2อ0แสนเจด0มื่นสอง่ดิบสามบาท อ, าอนุโมทนากับพี่น้องลูกหลานนะสำนักสงฆ์ดอนเหล่าคำอำเภอสามพร้าวจังหวัดอุดร น, นะติดๆเมืองอุดรนนะ หลวงพ่อกลับมาเมื่อวานกนิถึงวัดก็ประมาณสักสี่โมงสี่โมงห้าสโมง ก, กว่าเกือบห้าโมงเมื่อวาน น, ะนี่เราเราให้ลูกหลานได้ฟังหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างไปเพื่ออะไรนะไม่ได้ไปเพื่อหลวงพ่อนะลูกหลานนะไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะข่าวที่แล้วนะ่ยลูกหลานก็คงจําไม่ลืมที่หลวงพ่อเอาเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่น ราคาสองล้านหกแสนเกี่ยวกับเครื่องมือตาพวกตาที่เป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตาตามองไม่เห็นเนี่ยจะใช้เครื่องมือตัวนี้แหละเขาไปดูดเขาไปทำอะไรใช้เครื่องมือตัวอื่นไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ละเอียดราคาถึงสองล้านหกนี่แหละวัดของเราก็ไม่ได้มองไม่ได้มองแต่วัดของเรานะลูกหลานนะ ว่องมองพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ผู้ที่จะเกิดประโยชน์อะไรในพื้นชุมชนของพวกเราประเทศชาติของพวกเราแล้วก็พร้อมกันก็มองไปถึงเจดีของหลวงตาอีกเหมือนกันนะวันที่12สิงหาเนี่ยนะจะเปิดจะเปิดรายการ ให้พี่น้องประชาชนจองจองกรถินของหลวงตาในะปีนี้นะเตรียมเตรียมจตุปัจจัยไว้ในะลูกหลานนะหลวงพ่อจะเป็นผู้พานํำกระถินปีนี้กระถินของหลวงตาวัดป่าบ้านตาดไม่มีใครจองปีนี้คณะกรรมการก็เลยจัดขึ้นมาจองให้เป็นให้เป็นลูกศิษย์ให้เป็นของศิษยานุศิษย์ที่รักเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็ จองเปิดบัญช <ai> no like mm ีข hmm. ึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอีกต่างหากไม่ใช่เข้าบัญชีอย่างอื่นเข้าบัญชีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแล้วก็เขาจัดขึ้นมาจัดเป็นกระถิน8ป0 0 0่นแ0ดห่นสพกองกองละ 3,000 บาทเขานะอกองละ 3,000 บาทลูกหลานใครเจ้าจอง ถ้าพ่อแม่ก็จองกองหนึ่งพ่อกับแม่จองกองคนละกองละกันลูกกี่คนก็จองอีกคนละกองออลูกหลานลูกสะใภ้ลูกเขยจองคนละกองละกองหลวงพ่อก็เป็นสิริเป็นมงคลของลูกของหลานนะสร้างเจดีย์ของพระอรหันต์สร้างเจดีย์ของออาาหางองลวงตาพอหลวงตาทําคนูประการให้กับประเทศชาติมากมายขนาดไหนพวกเราไม่คิดมองไม่เห็นเหรอ น่าจะมองเห็นคุณงามความดีของหลวงตานะเพราะนั้นขอพวกเราเตรียมเตรียมระเตียมกระเป๋าว้ยน่าวันที่ส2สองเนี่ยคงจะประกาศให้ทั่วถึงกันจากนั้นก็ประกาศบอกเลขบัญชีด้วยะยพวกเราโอนเข้าไปเลย เ, เยอยู่ที่ไหนโอนเข้าไปได้บัญชีไทยพาณิชย์่โอนเข้าไปแล้วก็เก็บใบสลิปไว้ ถ้าพวกเราไปต้องการต้องการใบอนุโมทนาจากนั้นก่อนก็จะยื่นให้ยื่นให้กับคณะกรรมการครับส่งให้คณะกรรมการถ้าเราต้องการใบอนุโมทนานะแล้วก็พร้อมกันวันที่สิบสองจะมีกิจกรรมถ้าหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้หลวงพ่อก็คงจะเข้าไปเหมือนกันนะเพราะเป็นวันเกิดขององค์หลวงาตา ถึงองค์องค์หลวงตาจะตุ ต, ตินิพพานไปแล้วกว็เถอะนะเพราะว่าองค์หลวงตาเนี่ยยังเจดียังไม่เสร็จยังคาจิตคาใจของสิทธิอนุสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาใจของหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะต้องเข้าไปเพื่อไปดูไปแลว่ากิจการงานเจดีของหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงไปที่ไหน วันวันที่นะสิองนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะจะได้ยินเสียงหลวงพ่อวันนี้แหละเป็นวันอาทิตย์น ะ, ะเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วก็วันที่12เนะี่ยเขาจะมีงานที่วัดป่าบ้านตาดจากแล้วเขาจะมีการเขียนเขียนแผ่นทองน ะ, ะจารึกจารึกชื่อแผ่นทองอแผ่นทองนี่แหล ะ, ะจารึกชื่อนามสกุลของตนเองอหรือจะ อางลึกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใครก็ได้คณะกรรมการเข า, เาให้ยึดเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ในกล่องสเตนเลสแล้วก็เอาไปฝังเอาไปไว้ในฐานพระเจดีย์ก็เหมือนกับให้พวกเราสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ท้งหลายเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เ, เพื่อหล่อร้อมให้เป็นสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาเราก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นพระหัน เบื้องบนเบนื้องบนพระเจดีย์เราก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุพระหานตสาวกไว้บนยอดพระเจดีย์เต้าบนแต่ข้างล่างเป็นที่บรรจุพระธาตุขององค์หลวงตาแต่พวกชื่อพวกเราสิทธิ์ยาวด้วยสิทธิ์ทั้งหลายรวมกันเป็นพลัง อยู่ใต้ฐานกุ่นหนนเป็นเครื่องเครือกุณญ์นนเมื่อเรายืนประนมมือไหว้องหลวงตาตลอดทั้งพบทั้งชาติแล้วก็เราปราถนาอะไรแต่ไหนเราไปไม่ใช่เอาชื่อไปแล้วจะไปเป็นเปรเป็นผีเป็นเทวดาเฝ้าพระเจดีย์ไม่ใช่นะเราเอาชื่อไปไว้ที่นั่นแล้วนะเราก็ตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจปราถนาอะไรแต่ไหนสาธุเนอร์ภูคาได น้อมจิตน้อมใจด้วยความเคารพคารวะทางกายวาจาใจของข้าพเจ้ า, เาได้เขียนชื่อไว้และก็ขอนอบน้อมกราบไหวในองค์หลวงตาขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมหลวงตามีอตัตเลกลาบร่ํารวยอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยเหมือนองค์หลวงตาหลวงตาได้รู้ได้เห็นธรรมอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นธรรม อย่างองหลวงตาองหลวงตาได้บรรลุธรรมอย่างไรได้เป็นพระอรหันต์อย่างไรในที่สุดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับองค์หลวงตาเนะนี่แหละเราตั้งความปรารถนาเลยเมื่อเราทําบุญทํากุศลแล้วเนะนี่แหละวันที่สิบสองสิงหานะจะมีแผ่นทองให้เขียนรายชื่อเขาว่าประมาณห้าหมื่นแผ่นมาเนี่ยแหละอันนี้กับพี่น้องประชาชนผู้ใดจะไปร่วมในวันนั้น เสร็จแล้วเขาก็จะมีการเทสเสาเอกเสาพระเจดีนะเสาเอกพระเจดีเมื่อฉันจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นพระสงฆ์ทงหลายที่ไปในงานก็จะสวดกับพวกเราทั้งหมดพนะี่น้องประชาชนเหมือนกับเราเคยสวยดตอนตอกเสาตอนตอกเสาเข็มเสาแรกนะ ต, อตอกเสาเข็มเสาแรกนะพอปั้นจันตอกตึอีติปิโสภะคะวาอารหังสัมมา เ, เสียงกระหึ่มไปโอ้โหแปลว่าปอกตอกลหลักความมั่นคงของพรงะเจดีย์หลวงตาพอมาต่อมาเนี่ยก็เป็นการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ส7เจดกรกฎาสิบเจ็มิถุนาสเจ็มิถุนาวางเซ็นสัญญากันเอาบริษัทสอบุญมีฤทธิ์แล้วก็ บริษัทบริษัทคุมงานก็นคือจะตนเห้นแล้วก็คณะกรรมการเซ็นสัญญามอบแปลนให้กับบริษัทษ ท, ที่จะมาทำงานจากนั้นเราก็ได้ไปเทเสาทางขึ้นทางขึ้นบันไดจานั้นเราเราก็สวดอิทธิปิโสอีกคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะสัทายาญาติโยมเพื่อ ลำลิกถึงองค์หลวงตาเนี่ยครั้งครั้งหนึ่งครั้งสองเพราะนี้เป็นครั้งที่สามเลยจะเอาเสากลางบัดเสากลางพระเจดีย์บัดวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันเกิดของหลวงตาด้วยนะเพราะนั้นขอแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับคณะจิตญาณุสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ยินเสียงถลงพ่อเนี่ยบอกต่อๆกันไปด้วยนะเพราะทุกวันเนี่ยมันโเซเชียน Facebook, เฟซบุ๊กยูทูบส่งต่อๆกันไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ส่งต่อๆกันไปด้วยถ้าเป็นสิทธิญาณุสิทธิลูกหลานของหลวงตาศรัทธาญาติโยมที่รักเคารพที่ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงต า, าได้รู้ได้เข้าใจได้รับความสุขกายสุขใจเพราะธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยพวกเราโควโลนจะนเสียสละเวลา เข้ามาแล้วก็มากราบมาทำบุญกระองหลวงตาถึงจะมากน้อยเราไม่ได้ว่ากันแต่ต้องการพลังความพร้อมเพียงสามัคคีในศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่แหละาหลวงพ่อเองไม่เจ็บไม่ป่วยนะวันนั้นหลวงพ่ อ, องคงจะไปพบกับคณะทธาญาติโยมกับหมู่พวกเพื่อนน้องๆทั้งหลายจะไปแสดงออกซึ่งน้ำใจร่วมร่วมรวมกันปลอ่ลอมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจะให้เจดีของลงตาสำเร็จรูปล่วงแต่เดี๋ยวนี้ทางบริษัทเขากดดำเนินการไปหลายหลายอย่างแต่มันอุปสรรคก็กคือฝนนะฝนมันตกนะไม่รู้จักจุดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็ น, นใครจะไปทำได้ล่ะเมือ น, นขณะที่ฝนตกอยู่ฝนปีนี้ก็ฝนฝนแกล้งคนจริงๆนะฝนปีนี้นะซาบทางบ้านตาดก็น้้ำก็เข้ามาท่วมท่วมเหมือนกัน ตรงที่หลวงตาเคยปล่อยปลานะ่ยเนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คงจะลดแล้วล่ะแต่ถึงวันนั้นก็คงจะลดล่ะเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะไปรวมร่วมกันเรื่องเจดีย์ขององค์หลวงตาเนะี่ยวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทัน้งหลายเป็นการชักชวนาการสร้างบุญสร้างกุศล ในพระดีขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุนอุปการเป็นผู้ปิอุปกระคุณเป็นบุคคลผู้มีอุปกรณก์พวกเราในฐานะที่เป็นแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทที่ตาต่อองค์หลวงตาเราควรจะเข้าไปนะลูกหลานนะแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งคงจะประกาศแล้วสิประกาศผ้าป่าประกาศกระถิ่น อธินสามัคคีปี60เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจิตีขององค์หลวงตาปาผ้าป่า 84,000 กล่องแต่ไม่มากแนตะ่กลองละ 3,000 ก็มากอยู่แต่หลวงตาจัดผ้าป่าคราวหนึ่งนะหลวงตาจัดผ้าป่า 84,000 กล่องเพื่อช่วยชาติกลองละ 8,000 บาทคราวนั้นหลวงตา แนะนำบอกเก่าก็ได้นะได้ปัจจัยทั้งได้ครบเลยนะได้ครบแปดหมื่นสี่ปันกองข่าวนั้นแต่คราวนี้พวกเราในฐานะสิทธิอนุสิทธิ์ก็เนี่ยบอกเก่าเล่าสิบกันคนละไม้คนละมือแต่คงคณะกรรมการเขาคงจะบอกเป็นตัวเลขนะเลขบัญชีนะคงจะกระจายออกอยู่วันนั้นคงจะแจกละแจกแจกใบบัวซัว สำหรับให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้รู้ได้เห็นจากนั้นก็คงจะแชร์กันไปให้ลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาทนะางบอกผู้ใดนะในหลักของพระพุทธศาสนานะท่านได้ท่านได้อะไรมาเนะี่ยท่านได้รู้ธรรมมาหรือได้รู้เรื่องราวต่างๆมาในทางธรรมะนะแต่ไม่ใช่ทางชั่วนะแต่ทางชั่วจะไปเอานะ ถ้าทางชั่วเป็นแนะนําเขาในทางที่ชั่วเป็นรู้ทางที่ชั่วมาเป็นแนะนําเขานะเราจะบาปหนักเพราะอะไรเพราะแนะนําเขาไปในทางที่ชั่วแต่ท่านแนะนําไปใ น, ในทางที่ดีอย่างนี้น่ะล้วนเราจะเป็นบุญกุศลนะอสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะหลวงพ่อจะพูดยงย่อให้ฟังพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมเทศนาว่าผู้ใด ให้ทานด้วยตนเองผู้นั้นจะมีสมบัติมากแต่ถ้าว่าผู้ใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแนะนำให้คนอื่นมาร่วมในการทำบุญด้วยคนนั้นจะได้ทั้งสมบัติตนเองแล ะ, และบริวารบริวารสมบัติจะมีบริวาวรเพราะนั้นมีชายคนหนึ่งเขาก็ประกาศไปทั่วทุกแห่งหนเออไปทำบุญเออ ออพอได้สู่กันเนี่ยก็ได้เป็นผู้มีบริวารสมบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้าพวกเรารู้แล้วว่าเออเจดี JD ของหลวงตาจะสร้างนะเราทําคนเดียวนะเออเราไม่ได้ไม่ต้องบอกใครเราทําคนเดียวงบเงิบแล้วก็ทําเลยเราก็รวยคนเดียวจะเนี่เ อ, อพอเกิดมารวยคนเดียวเนี่ยหาบริวารไม่ได้เลยจะใช้คอยใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีบริวาร ก็ก็ไม่ดีเหมือนกันนะลูกหลานนะเออคนที่ไม่มีบริวาร ล, ลูกก็ไม่ดีสามีภรรยาใครก็ไม่ดีแต่รวยเหมือนกันรนะวยคนเดียวก็ไม่น่าจะดีเหมือนกันเอเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหาบริวารด้วยเหมือนกันนะพอได้รู้แล้วแนละ้วเออแชร์ไปบอกกล่าวไปเอใครจะทําเรื่องไม่ทากระสุดแท้แต่เราไม่ได้บังคับขู่เข็น ไม่แต่บอกกล่าวเออทำบุญนะเนอะสร้างเจดีย์ของหลวงตานะหลวงตาเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเรานะเนอะทำคุณประโยชน์ธรรมาเทศนาของท่านมีประโยชน์สําหรับพวกเราเออพวกเราให้ช่วยๆกันทําบุญเนาะคนละไม้คนละมือไม่ว่ากันเรียกไม่ทาก็สุดแท้แต่ถ้าได้ยินแล้วนะแต่ว่าน่าจะทํานะ เ, ออเราก็บอกแนะนําเขานี่แหละ อันนี้แปลว่าหาบริวารสมบัติเกิดมาพบใดชาติใดไปอยู่นักสถานที่ใดตกทุกข์้ดยากมากับริวารก็ช่วยกันนะดีกว่าแล้วหลวงพ่อว่านะมีบริวารกับไม่มีบริวารเนนะี่ยมีบริวารจะดีกว่าถ้าบริวารดีนะถ้าบริวารไม่ดีก็ทำให้ปวดหัวอีกเหมือนกันนะบริวารพาทุกข์พายากพาให้ปวดหัวก็มีอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ต้องการบริวารเลวนะ เราทางนี้ทางนั้นเออเราเจตนาดีนะเราไม่ได้เจตนาร้ายอย่างอื่นขอให้ผู้เป็นบริวารของเรากเป็นบริวารที่ดีมีน้าใจมีเมตตามีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื่ออารีต่อกันในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชัวนะ่วเ่เราไม่คิดไม่ทำไม่พูดอยู่แล้วบริวารของเราขอให้คิดดีพูดดีทำดีอย่างเราเนะ่ไปด้วยกัน เ, เหมือนกับ น, นา้า ต่อน้ำน้ำมันต่อน้ำมันอย่างนั้น น, ะน้ำมันก็ต้องเข้ากับน้ำมันได้น้ำก็ต้องเข้ากับ น, น้ำได้นี่แหละเราให้เป็น เ, เหมือนกับน้ำน้ำมันเหมือนกับน้ำให้เข้ากันได้นี่ก็เหมือนกันนะความดีก็ให้ความเข้าความจูความดีกันได้นะต่อเ น, นื่องไปรับพรในตัวเ น, นี้นะประสงค์ดโมทนาให้พร